ตอนที่สิบฉันชื่อเกาฉางเหอหึออย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะไม่กล้าลงมือนะชินเสียวซานยักย้ายสายสะโพกเดินเข้าหาซูมานอินอย่างลำพองใจอายุยังน้อยแ ท, แท้แต่กลับอยากแต่งงานกับตาแก่สมองต้องมีปัญหาแน่ๆ น, นั่นสิมีคนยอมแต่งกับตาแก่แต่กลับไม่มีใครยอมแต่งกับไอต้ตะแตนกิ่งไม้อย่างแกคถาถักทางเพียงประโยคเดียวของซูมานอิงจี้ใจดาของชินเสียวซานเข้าอย่างจัง เขาโกรธจนหน้ามือตะมัวเหวี่ยงไม้พร่องพุ่งเข้าใส่ทันทีนางแพทย์สยาแกหาเสียงตะโกนเพิ่งจะเริ่มต้นสู่บ้านอิงกวาดลูกเตะกลับตัวเข้าใส่ชินเสี้ยวซานลอยละลิ้วเหมือนว่าที่สายป่านขาดว่าเส้นโค้งกลางอากาศก่อนจะตกลงมากระแทกโคนกำแพงเสียงดังปังชิ้นเสี้ยวซาน ร, รู้สึกปวดมัวนในท้องอย่างรุนแรงแผ่นหลังชานึกสมองอื้ออึงไปหมดพวกวัยรุ่นที่ตามมาอีสองสามคนเห็นเหตุการณ์เข้าก็พากันตะลึงค้าง ยืนเบื่ออยู่ทำไมอย่านี้มันก็แค่ผู้หญิงคนเดียวพวกแกตั้งหลายคนยังสู้ไม่ได้หรือไงฉินเสี่ยวซานเริ่มได้สติก็รีตกลงสั่งการทันทีพวกวัยรุ่นเหล่านั้นคิดดูแล้วก็เห็นว่าจริงพวกเขามากันตั้งหลายคนจะจัดการผู้หญิงคนเดียวไม่ได้เชียวหรือพวกเขาสบตากันครู่หนึ่งก่อนจะคงไม้พลองพุ่งเข้าใส่พร้อมกันจากนั้นในลานบ้านก็มีเสียงปงัปงปงังปังผ่านไปเพียงสิบนาทีพวกวัยรุ่นเหล่านั้นต่างล้มระเนระนาดอยู่บนพื้นเริ่มร้องขอชีวิต คุณหนูคุณเก่งเหลือเกินปล่อยพวกเราไปเถอะใช่ครับชินเสี่ยวซานจ้างพวกเรามาพวกเราแค่รับเงินมาทํางานเท่านั้นเองซูมานอิงจูมือฉินเสี่ยวเยเวเดินเข้าไปหาชินเสี่ยวซานเขาตกใจจนพยายามถอยหนีไปติด ก, กําแพงที่ผมเป็นน้องชายพี่นะพี่จะยินดูคนอื่นรังแกผมแบบนี้เหรอทั้งที่ร้องขอชีวิตแต่กลับใช้น้ําเสียงเหมือนกําลังคาดคั้นฉินเสียวเยเวนั่งยงโยลงมองชินเสี่ยวซานด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจ เสี่ยวซานแม่สามีพี่เขาก็หวังดีกับเธอนะเหมือนที่เธอพูดไงว่าตีคือรักด่าคือหลงชินเสี่ยวเย่เหลือบมองพวกวัยรุ่นที่นอนเกลื่อนอยู่รอบๆก่อนจะหันไปบ่นกับซูม่านอินแม่เลยคะทําไมแม่ถึงดูเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าน้องชายหนูล่ะคะชินเสี่ยวเย่เพี่พี่หมายความว่ายังไงชินเสี่ยวซานมองพี่สาวตัวเองด้วยความหวาดกลัวทั้งที่นางยังดูอ่อนแอเหมือนเดิมแต่ทําไมเขากลับรู้สึกถึงความสยดสยองที่แฝงอยู่ลึกๆ พี่สาวแกเขาบ่นว่าฉันยังรักแกไม่มากพอเลยยังสั่งสอนแกไม่ถึงใจนะสิซูมานอิ่งเนื้อหมัดขึ้นแล้วชกเข้าที่ไหล่ของชินเสี่ยวซานสองหมัดซ้อนเสียงกระดูกลั่นก๊อบแก๊ปดังขึ้นพร้อมกับเสียงคลางอือในลําคอของชินเสียวซานแขนทั้งสองข้างของเขาหลุดจากเบ้าทันทีอากกช่วยด้วยชินเสี่ยวซานร้องให้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเจียนตายเสี่ยวซานยาขมเป็นยาดีในการฝึกฝนร่างกายจะช่วยให้เธอแข็งแกร่งขึ้นอดทนหน่อยนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อตัวเธอเองทั้งนั้น ชินเสี่ยวเยาหยิบผ้าขนหนูมาซับเหนื่อให้ฉินเสี่ยวซาวนเพื่อนบ้านที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่รอบๆไม่ได้ยินสิ่งที่นางพูดจึงคิดว่านางช่างแสนดีกับน้องชายเหลือเกินเรื่องราวเริ่มบานปลายเพื่อนบ้านที่หวังดีรีบไปแจ้งความจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจมาถึงลานบ้านแต่ภาพที่เห็นกลับดูประหลาดพิกลคนแจ้งความบอกว่ามีพวกนักเลงบุกเข้ามาในเขตบ้านพักพนักงานอย่างวิกาลเพื่อข่มขู่แม่สามีลูกสะใภ้ที่เป็นครอบครัววีรชน แต่ภาพตรงหน้าคือพวกนักเลงเหล่านั้นบ้างก็ร้องให้บ้างก็คุกเข่าดูไม่มีสภาพของคนหาเรื่องเลยสักนิดเมื่อฉินเสี่ยซานเห็นตำรวจเขาก็เหมือนเห็นฟางเส้นสุดท้ายรีบหมอบลงกับพื้นแล้วร้องวายๆขอความช่วยเหลือคือคือคุณอาตำรวจช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยพวกนักเลงคนอื่นๆก็ไม่ต่างกันพากันกระเถิดไปหาตำรวจเหมือนลูกหมาหลงแม่ป่า ก, ก็พร่ำร้องขอความช่วยเหลือไม่หยุดหัวหน้าตำรวจกว่าสายตามองไปรอบๆพรางขงมวดคิ้ว เอาละคุมตัวทุกคนต่อไปทําบันทึกคําให้การครับลูกน้องรับคําสั่งแล้วเข้าไปพยุงพวกวัยรุ่นเหล่านั้นขึ้นมาสิ่งที่ต่างจากทุกทีคือพวกเขาแทบไม่ต้องขม่มขู่เลยพวกวัยรุ่นเหล่านั้นต่างให้ความร่วมมือเดินตามไปอย่างว่าง่ายถึงขั้นแย่งกันขึ้นรถราวกับกําลังหนีตายหัวหน้าตํารวจเดินเข้าไปหาซูมานอินและฉินเสี่ยวยาวมองดูทั้งสองคนด้วยสีหน้าเ ค, าคร่งขรึมสหายไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม ซูมานอินสายหน้าลูกสะพายฉันตกใจนิดหน่อยส่วนฉันไม่เป็นไรคะ่ะหัวหน้าตํารวจชะงักไปครู่หนึ่งเขามองฉินเสี่ยวย่าที่มองซูมานอินทีลูกสะพ้ายทั้งสองคนดูอายุเล่เหลี่ยกันจะบอกว่าเป็นพี่น้องกันยั่งน่าเชื่อกว่าเสียอีกพวกคุณก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยรบกวนตามพวกเราไปทําบันทึกคาให้การที่สถานีหน่อยนะครับได้คะ่ะซูมานอินตอบรับอย่างรวดเร็วก่อนจะจูมือชินเสียวยเยเวที่ดูเหมือนคนขวัญเสียเดินออกไปพร้อมกัน พอพ้นประตูรัวบ้านไม่รู้ลูกบ้านไหนตะโกนขึ้นมาเสียงดังคุณน้ากังฟูเก่งจังเลยเหมือนจอมยุทธ์หญิงเลยครับเสียงนั้นไร้เดียงสาแต่กลับดังชัดเจนในยามค่ำคืนเพื่อนบ้านรอบๆต่างพากันหัวเราอออกมาทันทีบางคนถึงกับตะโกนเสริมว่านางเท่มากนางสุดยอดมากซูมานอินโบกมือให้ขอโทษที่รบกวนเวลาพักผ่อนของทุกคนนะคะหัวหน้าตำรวจเดินตามหลังมามองดูผู้หญิงคนนี้ด้วยความรู้สึกสนใจใคร่รู้ ที่สถานีตำรวจคำให้การของพวกวัยรุ่นทุกคนแทบจะเหมือนกันหมดคือบาดแผลของพวกเขาล้วนเกิดจากฝีมือของซูมานอินและต้องการให้ซูมานอินชดใช้ค่าเสียหายหัวนหน้าตำรวจพลิกอ่านคำให้การของแต่ละคนแล้วถอนหายใจยาวเขาเหลือบมองซูมานอินและฉินเสี่ยวเยเว่ที่นั่งอยู่ตรงข้ามก่อนจะเอ่ยปากช้าๆบาดแผลของพวกเขาทั้งหมดเกิดจากฝีมือคุณนั้นเหรอซูมานอินพยักหน้าใช่แค่ฉันเป็นคนทําเองซูมานอินไม่ได้ปฏิเสธยอมรับออกมาตรงๆ พวกเขาสมควรโดนแล้วค่ะชินเสี่ยวเยยื่นเช็ดน้ำตาอยู่ข้างๆพรางเอ่ยด้วยน้ําเสียงเสอือกสะอื้นว่าพวกนักเลงพวกนั้นบุกเข้ามาในบ้านของฉันล้อมฉันที่เป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอเอาไว้คุณอาตำรวจคะคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นฉันกลัวมากแค่ไหนฉันแทบจะเสียสติเพราะความหวาดกลัวอยู่แล้วพวกเขายังข่มขู่ฉันบังคับให้ฉันเอาเงินออกมาถ้าไม่ให้ก็จะซ้อมฉันด้วยพูดไปชินเสี่ยวเยเ่ก็ถกแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นรอยแดงปื้นหนึ่ง คุณอาตำรวจดูสิคาแขกเล็กๆของฉันเกือบจะถูกพวกเขาตีหักอยู่แล้วตํารวจเหลือบมองแวบหนึ่งมุมปากปรากฏรอยยิ้มที่ยากจะสังเกตเห็นตอนที่เขาเชิญทั้งสองคนมาที่สถานีตํารวจเพื่อร่วมมือในการสอบสวนเขาเห็นกับตาว่าฉินเสี่ยวเยาหยิบไม้บนพื้นขึ้นมาฟาตัวเองทีหนึ่งการใส่ไร้ป้ายสีครั้งนี้ช่างทําได้อย่างหน้าตาเฉยจริงๆซูมานอินแปร์แอมไอสองสาครั้งสหายตํารวจพวกเขาบุกรุกแ ค, คสถานและพยายามชิงซรับแค่สองข้อหานี้ก็น่าจะควบคุมตัวไว้ได้แล้วใช่ไหมคะ ส่วนพวกเราก็แค่ผู้หญิงอ่อนแอที่ป้องกันตัวเท่านั้นหากจะมีการเรียกค่าเสียหายก็ควรจะเป็นฝ่ายเราที่ได้รับค่าชดเชยถึงจะถูกตำรวจพยักหน้าใช่สิ่งที่คุณพูดมานั้นถูกต้องเพียงแต่การป้องกันตัวของคุณมันออกจะเกินกว่าเหตุไปสักหน่อยคุณอาตํารวจคะเป็นเพราะแม่สามีรักฉันมากเกินไปนะคะท่านตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยลงมือหนักไปนิดหัวหน้าตํารวจรีตาลงพวกคุณเป็นแม่สามีกับลูกสะใภ้กันจริงๆหรือ ซูมานอิมกับชินเสียวเยเวสบตากันก่อนจะพยักหน้าพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในกลุ่มนั้นมีคนหนึ่งชื่อชินเสี่ยวซานเขาเป็นน้องชายของคุณใช่ไหมฉินเสียวเยเวพยักหน้าคุณอาตำรวจไม่ต้องลำบากใจนะคะขังเขาไว้สักหน่อยเถอะไม่อย่างนั้นเด็กคนนี้ก็ไม่มีวันโตและไม่มีวันเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีได้หรอกคะ่ะหัวหน้าตํารวจไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีเขามีอะไรต้องลำบากใจกันตกลงงั้นเอาตามนี้ก่อนแล้วกัน ตำรวจบันทึกคำให้การเสร็จแล้วก็ฉีกกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งออกมาเขียนตัวเลขชุดหนึ่งลงไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ห้องเวรของสถานีตำรวจถ้าเจอเรื่องลำบากอะไรก็โทรมาได้ซูมานอินรับกระดาษโน้ตมาแล้วกล่าวขอบคุณค่ะก่อนจะเสริมว่าแต่ว่าที่บ้านพวกเราไม่มีโทรศัพท์นะคะหัวหน้าตำรวจรู้สึกว่าตัวเองโง่ขึ้นมาทันทีไม่เป็นไรครับถ้ามีเวลาผมจะช่วยติดตั้งให้เครื่องหนึ่ง จริงดยผมชื่อเกาฉังเหอเป็นรองหัวหน้าสถานีตำรวจประจำเขตครับ